ตุลย์เลนพรท่านพลเรือเทววิรุณกองจันทร์กรรมการสภาหมหาเทเลสถาบาลมหาชนรัชพัฒน์ชัยภูมิชนายิกาบดีมหาเทยาลัยราชภัฒชัยภูมิตลอดจนคณะผู้บริหารคณะอาจารย์นักศึกษาและสาธุชนทุกท่านนำมาขอขอบคุณสภาหมหาเทยาลัยราชภัฒชัยภูมิ ที่ได้มออปริญญาดุษเีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่อาตมาซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะอาตมาเอง เ, อเรียนได้อย่างมากก็สูงสุดแค่ปริญญาตรนะีการที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ก็ถือว่ า, าเป็นเกียรติยศนันหาได้ยาก สระสาขาที่ได้มอบถวายกัตมาคือจุติศาสตร์การพัฒนา <c oughs> ที่จริงถ้าพูดถึงเรื่องของอผลงานในด้านนี้อตมาก็ยังรู้สึกว่ า, ายังทำงานได้น้อยนะแล้วขอบเขตก็ค่อนข้างจำกัดนะแต่ก็มีความยินดีนะที่สิ่งที่ได้ทำนั้น โดยสายความร่วมแรงร่วมใจจากสาธรมิกและเครือข่ายญาติโยมตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับนะของสถาบันทางวิชาการอย่างมัยทรายรัชพัฒนชัยภูมิพูดถึงการพัฒนาคำว่าการพัฒนาที่จริงแล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่เป็นแนวคิดที่ มาในเมืองไทยก็ประมาณ50สิปีที่แล้วนี่เองอาตมาได้เกิดในยุคที่บ้านเมืองเริ่มมีการพัฒนาประเทศกันอย่างขนาดใหญ่คือประมาณสอง0นะ้าระซึ่งเป็นยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของยุคพัฒนานะตอนเด็กๆจำได้ว่ามีเพลงเพลงหนึ่งนะ ที่แพร่หลายมากนะคือเพลงผู้ใหญ่ลีนะก็เริ่มต้นด้วยว่าพอสองสามศวรรษนะผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมนะพวกเราที่อายุห้สปีขึ้นไปคงจําได้นะเพลงผู้ใหญ่ลีตีกรองประชุมมนทําไมนะก็เพื่อแจ้งว่าทางการนะให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดละสุกรนะก็มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อตาสีหัวครอนถามมาสุกรนั่นคืออะไร ผู้ใหญ่ลีก็ลุกขึ้นตอบทันใดว่าสุกรนั้นไซคืคอหมาน้อยธรรมดาอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกบรรยากาศของการพัฒนาโดยเฉพาะในภาคอีสานเมื่อประมาณห0สิปีที่แล้วคือว่ารัฐบาลก็มีการพัฒนาข น, นานใหญ่ก็มีคำสั่งลงมามีมาตรการต่างๆมากมายรวมทั้งมาตรการให้ชาว บ, บ้านเลี้ยงเป็ดและสุกรแต่ชาว บ, บ้านนี่ไม่รู้ว่าสุกรนั้นคืออะไรนะ ผู้ใหญ่ลีก็ดำน้ำต่อไปว่าคือหมาน้อยธรรมดานะอันนี้ก็เป็นเป็น้แรกเป็นมุกนะเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากนะมาตรการต่างๆที่ลงไปให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันมีอีกเยอะนะรวมทั้งการสร้างส่วมซึมหรือว่าการส่งเสริม การปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆมากมายนั่นคือเมื่อ50ปีที่แล้วนะสมัยที่การพัฒนายังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยและก็ชาวบ้านแต่ในปัจจุบันนะการพัฒนาก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคำว่าพัฒนาก็สามารถจะเอาไปใช้หรือว่าก็มีการนำไปใช้ในทุกวงการพัฒนาองค์กรนะพัฒนาการศึกษา พัฒนาสุขภาพหรือว่าพัฒนาจิตใจนะที่จริงแล้วคําว่าพัฒนาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคําใหม่แนวะคิดใหม่นะแต่ว่าตัวความหมายนี้เนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ใหม่ไปด้วยในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีคํานึงนะก็คือคําว่าภาวนาภาวนาเนี่ยความหมายก็คือการทําให้เจริญการทําให้ เจริญซึ่งมีความหมายท่านในแง่ทำให้มากแล้วก็ทําให้ดีขึ้นก็ตรงกับคำว่าพัฒนาที่จริงแล้วเนี่ยค <c oughs> อภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของการทําให้เกิดความงอกงามในส่วนที่ดีในขณะที่คําว่าวัฒนะหรือว่าพัฒนานี่อาจจะหมายถึงการเพิ่มในเชิงปริมาณก็ได้เช่นคําว่าอย่าทําตนให้เป็นคนรกโรคเนี่ย คมว่ารกเนี่ยมันก็มาจากคำว่าพัฒนาะนะก็คือว่าเป็นการเพิ่มหรือมากในเชิงปริมาณพัฒนาจึงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะเพราะว่าถ้ามันเพิ่มในเชิงปริมาณก็กลายเป็นลกไปได้เมือนกัอทุกวันนี้นี่เราพัฒนากันมามากนะแต่ว่าิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามลพิษก็มากขึ้นตามไปด้วย ขยะปฏิกูลก็มากขึ้นตามไปด้วยในบางที่บางแห่งก็เต็มไปด้วยคอนกรีตเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องจนกระทั่งกลายเป็นรกไปก็มีแต่ถ้าพูดถึงการพัฒนาในความหมายที่ดีที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามแล้วเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยใช้คําว่าภาวนาแต่คําว่าภาวนาในปัจจุบันก็ถูกเข้าใจให้มีความหมายแคบลง คือไปเข้าใจาหมายถึงการนั่งหลับตาทำสมาธิาที่เรีว่านักภาวนา <c oughs> ที่จริงภาวนาในพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามีความหมายกว้างนะก็คือมีความหมายสี่ระดับนะตั้งแต่ภาวนาทางกายเรียกว่ากายยภาวนาหมายถึงการที่สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่หิวโหวยไม่ขาดแคลนแต่ก็ไม่ถึงกับเกินเลยยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าคนหิวโหวยจะน้อยลงสมัยส0มสิบปีเนี่ยคนขาดอาหารตายนี่มีเยอะโดยเฉพาะในชนบทภัยสารแต่ึนีนี้การขาดอาหารนะหมดไปแล้วนะเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เกิดคือความรุนเกินก็คือว่า เด็มีน้ำหนักเกินมากขึ้นผู้ใหญ่มีน้ำหนักเกินมากขึ้นนะอันนี้ก็ไม่เรียกว่ากายภาวนานะกายภาวนาคือว่าไม่หิวโหยไม่ไม่ไม่ขาดแคลนแต่ก็ไม่ล้นเกินเพราะนั่นก็ทําให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดีเกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้เช่นเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานนอกจากไม่หิวโหยแล้วไม่ล้นเกินแล้วก็คือไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนวัยอันควร นะมีอากาศมีน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์นะอันนี้เรียกว่ากายภาวนาภาวนาประการที่สองคือศีลภาวนาก็คือการพัฒนาพฤติกรรมความสัมพันธ์ได้แก่การไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่มีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี้ก็ถือว่ามีศีลภาวนาหมายถึงว่าการมีพฤติกรรมความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล ไม่เบียเบียนเอเปรียบผู้อื่นไม่ใช่แต่เฉพาะไม่ละเมอดสินธิ์5แต่สามารถจะทำได้มากกว่า น, นั้นด้วยมีศีลภาวนาหรือไม่พอนะต้องมีจิตภาวนาก็คือว่ามีจิตใจที่สงบไม่เครียดผ่อนคลายเป็นสุขนะไร้ความวิตกกังวลพูง่ายคือว่าแสดงออกด้วยอาการที่เรียกว่า อยู่เย็นเป็นสุขนะแม่อยู่ร้อนนอนทุกขนะ์แต่พอนาสามประการแล้วนี่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะต้องอันที่สีก็คือปัญญาภาวนาคือการที่มีความเห็นชอบมีความเข้าใจในเรื่องชีวิตรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกต้องเชนรู้ว่าความสุขนั้นเนี่ยไม่ได้เ ก, กาไม่ได้เกิดจากการเสพการบริโภค มากมากแต่เกิดจากความสงบใจและเกิดขึ้นได้จากการรู้จักให้ความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ใจชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ข้างในสงบเย็นข้างนอกก็แสดงออกมาด้วยการกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแต่เพื่อมนุษย์และส่วนรวมสงบเย็นนี้รวมไปถึงขั้นว่าแม้เจอความผันผวนแปรปรวนในชีวิต จิตใจก็เป็นปกติไม่ทุกร้อนกลางคืนนอนก็ไม่เอามือปกายหน้าผากด้วยความกลุ่มอกกลุ่มใจเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่กลุ่มใจเพราะรู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาถ้ามีปัญญาภาวนาเนี่ยก็จะทำให้มีชีวิตที่ผาสุขทั้งกายและใจ อันนี้คือการพัฒนาในระดับบุคคลนะตามคติพุทธศาสนาซึ่งเมื่อขยายออกไปเป็นการพัฒนาสังคมก็หมายความว่าสังคมนั้นเนี่ยเอื้อเฟือ้อเกือ้อกูลให้ผู้คนเนี่ยมีสุขภาพดีทั้งมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไม่หิวโหวยแล้วก็ไม่มีความรุนเกิน มีสิ่งแวดล้อมที่เกือกูลต่อสุขภาพมีกินมีใช้นะไม่อดอยากถ้าเรามองการพัฒนาในปัจจุบันก็จะพบว่าแม้แต่ในเรื่องของการภาวนานะการพัฒนาในปัจจุบันก็เน้นแต่เพียงบางแง่บางมุมก็คือว่าทำให้คนนะไม่อดอยากหิวโหย มีความพรั่งพร้อมพังวัตถุมีกินมีใช้แล้วก็เน้นเพราะว่นเนเรื่องการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเรื่องการเพิ่มรายได้แต่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสุขภาพอันนี้เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาในปัจจุบันเพราะว่ายิ่งพัฒนาเศรษฐกิจกับสง่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทาลายลงไปเรื่อย นอกจากทรัพยากรจะล้อยหล่อลงไปยังเกิดมลพิษมากมายเกิดในอากาศเกิดในน้ำแล้วก็กระจายไปในพื้นดินทำให้ผู้คนเนี่ยล้มป่วยด้วยโรคแปลกๆมากมายและที่โรคมะเร็งเกิดขึ้นมากมายแพร่หลายทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงก็กลายเป็นว่าแม้จะมีเงินมีรายได้มากขึ้น ชีวิตมีความสุขสดายสุขสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างไกลจากความเจ็บป่วยไม่มีสิ่งมล้อมที่เกื้อกูลอันนี้ก็เรียกว่าการพัฒนาก็ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่แม้เม็เงินแต่ละคนจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นสิบเท่าตัวในช่วงเวลาห้าสิบปีที่ผ่านมานับแต่การพัฒนา ในเรื่องศิลธรรวนานะสังคมสังคมที่ดีก็ต้องเกือ้อกูลให้คนเนี่ยมีความเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลกั น, กนหรืออย่งน้อยก็ไม่เบียดเบียนกันผู้คนมีความยักยังช่างใจในการเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวกฎหมายหรือเพราะว่ามีความเมตตากรุณาต่อกันแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนะการพัฒนา ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาในปัจจุบันเพราะว่าแม้เศรษฐกิจจะดีแม้ความพรั่งพรองทวัตถุจะมากแต่ว่าการเอาเปรียบเบียดเบียนกันก็ยังไม่ได้ลดลากลับเพิ่มมากขึ้นในรูปของอาชญา ก, กรรมอาจญรขโมยก็มีมากขึ้นผู้คนจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเพราะในเมืองกลางค่งกลางคืนก็ไม่ปลอดภัย เพราะว่าต้องระแวงต้องระวังอันตรายจากมิจฉาชีพ ย, ยังไม่ต้องพูดถึงการเบียดเบียนเอาระดับเปรียบทางเศรษฐกิจหรือว่าการคมเห็นคนเองร้ายด้วยความเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาสีผิวหรือเพราะความแตกต่างทางเศรษฐกิจคนรวยเอาเปรียบคนจนหรือว่าคนในเมืองนะก็แย่งชิงทรัพยากรจากคนในชนบท อันนี้ก็แสดงว่าศีลภาวนาเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหรเรื่องจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันสังคมที่ดีงามนะเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยก็ทาให้ผู้คนเนี่ยนะมีความสุขมีความผ่อนคลายมีจิตใจที่สงบเย็นไม่มีความเครียดไม่มีความวตกกงังวลแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราก็เพราะว่าคนเครียดมากขึ้นคนที่เป็นโรคประสาทโรคจิตก็เพิ่มมากขึ้นยาที่ขายดีก็คือยาที่เกี่ยวกับระงับประสาทหรือว่าย า, าที่ช่วยทำให้นอนหลับนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนทุกวันนี้เนี่ยมีความเครียดสูงแม้มีเงินเยอะแม้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าความดัน นะโรคที่เกี่ยวกับความเครียดก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะกลับเพิ่มมากขึ้น <c oughs> อันนี้ก็แสดงว่าผู้คนนะยังไม่มีจิตภาวนายังไม่นับผู้คนที่หันไปหายาเสพติดนะหรือว่าหันไปหาสุรายาเมาเ <c oughs> พราะความเครียดและยิ่งเสพยิ่งบริโภคมากขึ้นก็ยิ่งทำให้จิตใจ ว้าวุ่นฟุ้งซ่านหรือว่าคุ้มคลั่งนะก็ทําให้เป็นทุกข์ทางจิตใจมากขึ้นเป็นปัญหาของคนสมัยนี้ยิ่งมาดูถึงจํานวนหรือสถิติคนฆ่าตัวตายแล้วนะก็ยิ่งเห็นชัดว่าคนทุกวันนี้มีความทุกข์ใจมากแม้ว่าจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นก็ตามจิตพะจิตภาวนาแล้วเนี่ยมันก็โยงไปถึงปัญญาภาวนา สังคมที่ส่งเสริมปัญญาภาวนาคือสังคมที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้คนมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นคุณค่าของธรรมชาติทราบซึ้งในคุณค่าของธรรมะแล้วก็เห็นว่าเงินหรือวัตถุไม่ใช่คำตอบของชีวิตแต่คือการทำความดีการใฝ่หาเข้าถึงคุณธรรม หรือการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงธรรมรู้ว่าเกิดมาทำไมและสามารถที่จะดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบเจนเป็นประโยชน์ได้อันนี้ก็ถ้าเรามาดูการพัฒนาในปัจจุบันนะก็ละเลยเรื่องของปัญญาภาวนามากเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือการเผยแพร่มิจฉาทิฐิการทำให้ผู้คนลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของ สื่อมวลชนนะก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในการที่จะเปิดใจให้ผู้คนมีปัญญาแต่ทําให้มีความรุ่มหลงมากขึ้นบางคนที่จริงก็ไม่ใช่บางคนนะหลายคนเลยเป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีสินค้าแบรนด์เนมใช้เป็นทุกข์เพราะว่าตัวอ้วนเกินไปหรือวันน้ําหนักมากไปท่านเ้าที่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญของชีวิต บางคนทุกขเพียงแค่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็นอนไม่หลับแล้วไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วความสวยงามความงดงามที่แท้จริงอยู่ข้างในเดีย๋ยวนี้ใจใผู้คนเนี่ยวั่นวหวได้ง่ายเพราะว่าขาดปัญญานะเพื่อนไม่กดไลค์ให้ก็เป็นทุกข์แล้วนะหรือว่าเพื่อนค อ, คอมเมนต์ไม่ถูกใจนิดหน่อยนะก็ ใจิตใจวันไหวเดีย๋ยวนี้ค่าตัวตายนะเพราะว่าถูกคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กก็มีนะเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตและปัญญาที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่านั้นที่ผู้คนมีระดับความรู้สูงขึ้นเรื่อยๆมีปริญญาคนที่มีปริญญาโดยเฉลี่ยแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้การ การพัฒนาที่แท้จริงเนี่ยนะมันจะเป็นการพัฒนาที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิตสังคมได้เนี่ยย่อมต้องมุ่งไปที่การทําให้เกิดภาวนาสีในระดับปัจเจกบุคคลก็คือว่ามีทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาสุขภาพดีไม่หิวโหวยแล้วก็ไม่ไม่กินมากเกินไปจนมีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีพฤติกรรมที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีจิตใจที่สงบผ่อนคลายมีสติมีความสึกตัวแล้วก็มีปัญญาซึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการพัฒนาสังคมนะที่ทำให้เกิดทั้งสี่ประการนี้ด้วยในหลายประเทศนะเขาก็มีการพัฒนาที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นมีการวางระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมรวมทั้งค่านิยมที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเยบียดเบียนกันน้อยลงมีอาญากรรมน้อยลงเรียกว่ามีกาภาวนาและศีลภาวนาสิ่งว่าล้อมก็ดีน้ำก็น้ำอากาศก็บริสุทธิ์อย่างเช่นในสังคมตะวันตกนี่นะก็เรียกว่าก ร, รภานาและศศีลภาวนา แล้วเขาก็ดีถึงแม้เขาไม่นับถือพุทธแต่ว่าการเบียดเบียนกันจนเกิดอาญากรรมนี่มีน้อยแต่ผู้คนก็ยังมีความทุกข์มีความเครียดที่มีเงินมากมายก็ยังมีความเครียดสาเหตุก็เพราะไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรไม่พบความสุขที่แท้ไม่รู้ว่เกิดมาทําไมที่ฆ่าตัวตายทั้งนั้งที่มีความพร้องพร่งบริบูรณ์ก็เยอะ หรือว่าที่หันไปหายาเสพติดเท่าที่มีเงินมากมายก็เพราะว่ามีกายภาวนาบิต ม, มีศีลภาวนาแต่ว่าขาดจิตภาวนาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีชาตัวนันตกจํานวนไม่น้อยเนี่ยหันมาสนใจจิตภาวนาหันมาสนใจทําสมาธิภาวนามากขึ้นจนกลายเป็นกระแสหนังสือที่ขายดีในเวลานี้ในอเมริกาหรืยุโรปก็คือหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการทําสมาธิภาวนา อันนี้ก็เป็นเครื่องชี้เห็นว่าการพัฒนาแม้กระทั่งในสังคมตอนตกถึงเขาประสบความสำเร็จในเรื่องกายภาวนาศีลภาวนาแต่ว่าจิตภาวนานี่เขาก็ละเลยจนทั่งผู้คนต้องหันมาดิ้นหลนนด้วยตัวเองหันมาทำสมาธิภาวนาหันมาจับกลุ่มกันตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งก็นำไปสู่ปัญญาภาวนาได้้ทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยนะจะเจริญก้าวหน้าได้ จะหลุดพ้นจากปรากแห่งความทุกข์ยากและความรุนแรงเนี่ยแต่ก็ต่อเมื่อเราหันไม่ความสำคัญกับเรื่องของภาวนา4ีมากขึ้นไม่จุดที่กายภาวนาหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋าใ น, ในธนาคารหรือในระบบเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าทำให้ผู้คนเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเกอืเกอกูลกันมีอาญา ก, การรมน้อยลงมีการเบียดเบียนกันน้อยลงมีความยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องช่วยกันทําให้สังคมเนี่ยลดความเหลื่อมล้าเมื่อสังคมลดความเหลื่อมล้ามีความยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงกันมันก็น้อยลงแต่ว่าก็ต้องทํามากไปกว่านั้นนะคือการทําให้สังคมเกื้อกูลต่อจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาด้วยนั่นคือเรื่องการส่งเสริมการศึกษาการศึกษาในที่นี้นะก็ไม่ใช่แต่การศึกษาในสถาบันอย่างเดีวยวแต่รวมถึงการศึกษานอกรูปแบบด้วย อย่างเช่นที่วัดป่าสุโตโตทำแล้วก็ที่หลายวัดพยายามทำนั่นก็คือเป็นการศึกษาอีกแบบหนึ่งเป็นการศึกษาในารูปแบบเพื่อทำให้เกิดจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาแต่แล้วก็ตามจิตภาวนาและปัญญาภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลว่าจะต้องอาศัยการศึกษาในรูปของการสั่งสอนแนะนำหรือว่าการใช้คาขวัญเพื่อเพิ่มค่านิยมหรือแม้แต่ไม่ได้จากัดแค่การ นั่งสมาธิจเจริญกรรมาฐานเท่านั้นแต่งสามารถจะทำได้ด้วยการสร้างสิ่งล้อมให้เกื่อกูลด้วยที่ประเทศอังกฤษนะเมื่อเร็วๆนี้นี่เขามีการศึกษาที่น่าสนใจเป็นการทดลองเขาพบว่าในย่านคนจนเนี่ยมีอาชญากรรมเยอะก็ เ, เลยมีการทดลองเลือกเอาย่านคนจนมาย่านหนึ่ง แล้วก็มีการพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจนะก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทาความสะอาดทุกวันเก็บขยะทุกชิ้นซ่อมกระจกที่แตกมีการปลูกดอกไม้ริมทางมีการลบป้ายขีดเขียนฝาผนังที่เรียกว่ากราฟิตี้เนี่ยลบให้มันสะอาดแล้วก็ซ่อมคมไฟที่แตกเพราะว่าคนเนี่ย เอาลูกกติกหนังสติกยิงจนแตกเนี่ยก็ซ่อมให้มันดีป้ายที่แตกก็ซ่อมใหม่ให้มันดีลดน้ำต้นไม้ทุกวันดอกไม้ก็สวยงามริมทางเท้าเขาทำโดยไม่ประกาศเลยนะว่าทำไปทำไมทำไปหนึ่งปีปรากฏว่าอาจฉาการรมของถนนย่านนั้นเนี่ยมันลดลงถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับ ที่ก่อนทําแล้วก็น้อยลงเมื่อเทียบกับอีกอย่านหนึ่งทึ่งอยู่ใกล้ๆกันหางกันไม่ถึงสองกิโลเป็นย่านคนตนแต่เขาไม่ทําอะไรเลยย่านนั้นอาญากำไม่ยังเยอะแต่ย่านที่เขาพัฒนาสิ่งก็ล้อมให้ดีปรากฏว่าอาญากมลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีการกวาดจับกันไม่ได้มีการเพิ่มโทษ ไม่ได้มีการเทศนาสั่งสอนไม่ได้มีการชวนคนรับศีลห้าแต่ทำไมอาชากรรมมลดลงเขาก็พบ ว, ว่ามันเป็นเพราะว่าพอสิ่งแวดล้อมมันดีมีผู้คนเนี่ยใส่ใจไม่ปล่อยขยะไม่ทิ้งขยะให้มันเกลื่อนกราดมันก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าชุมชนนั้นเนี่ยมีคนดูแลจะทำอะไรตามใจก็ไม่ได้ ในหลายสังคมก็พราบว่าการศึกษาพบว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มีการทิ้งขยะปล่อยให้มีการยิงกระตกแตกแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผู้คนก็ยิ่งได้ใจคิดว่าทําแค่นี้ไม่มีใครสนใจชุมชนนี้ไม่มีใครอีนังขังขอบด้วยเขาก็เริ่มทําอะไรที่มันแรงขึ้นเลยไปถึงการปล้นการขโมยแต่พอเริ่มจัดสิ่งวัลล้อมให้ดีทําให้มันก็เป็นการส่งสัญญาณว่ามันมีคนดูแลใจใส่ จะทำอะไรตามใจไม่ได้นะนะถ้าทําอะไรตามใจนี่แม้แต่เล็กน้อยก็ถูกจับถูกปรับได้นะคนก็เริ่มมีความจับยั้งชั่งใจและการที่จะทําอะไรที่เลยไปจนถึงขั้นปล้นจี้หรือฆ่าก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะบ่มเ่อยคนเนี่ยมีสํานึกมีศีลธรรธมโดยที่ไม่จะเป็นต้องไป เทศนะสั่งสอนหรือว่าการติดคำขวัญหรือว่าการล่นลงขั้นนิยมนะมันมีวิธีการได้หลายอย่างที่สามารถจะทำให้คนเนี่ยมีศีลธรรมมากขึ้นนะแม้แต่การการกระจายพกรทรัพย์ให้ผู้คนทั้งชาวนาทั้งเกษตรกรทั้งชาวไร่ทั้งพ่อค้าทั้งนักทั้งข้าราชการ อย่างเช่นมีเมืองหนึ่งในสวยอันนี้ผู้จ่าได้ตรัสไว้ว่ามีเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยอาจากรรมเยอะมากพระราชาก็คิดว่าจะต้องเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นประหารชีวิตบ้างทรมานบ้างแต่ว่าพราหม์รุโรหิตบอกว่าทำอย่างนั้นจะทำให้เกิดอาจากรรมรุนแรงขึ้นพราหมณ์เสนอว่าให้กระจายพระกระซับให้ทั่วถึงมอบหรือให้พืชพันธุ แก่ชาวนาอย่างทั่วถึงให้เงินทุนแก่พ่อค้าแม่ค้าเพื่อเป็นทุนในการทําการค้าให้ทั่วถึงให้เบี้ยววัดเงินเดือนแก่ข้าราชการอย่างทั่วถึงแล้วจนพุทธลาก็จะหมดไปพระราชาก็เชื่อและทำตามปรากัว่าจนผู้ธลาก็หมดไปจริงๆบ้านเรือนไม่ต้องปิดประตูไม่ต้องล็อกประตูเด็กก็ฟอ้อนรำอยู่ในอกอ ก, อกแม่พ่อผู้คนมีความสุข อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าพรามณ์เนี่ยที่จริงแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้ายกขึ้นมายกเรื่องนี้ขึ้นมาสมแสดงว่าพราหมณ์นี้พูดแทนพระพุทธองค์การที่อาชญากรรมลดลงนะโจรขโมย ล, ลดลงเนี่ยไม่ใช่เพราะมีการเทศนาสั่งสอนหรือว่าเพิ่มโทษอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะมีการกระจายพกทัพยย์อย่างทั่วถึงก็ช่วยลด ความอาจากรรมในสังคมได้อันนี้ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่คือว่าสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและความเหลื่อมล้ำในสังคมนะอย่างน้อยๆในทางเศรษฐกิจนะก็ช่วยทำให้ผู้คนกลับมีศีลธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของศิลภาวนานะก็ควรจะตระหนักว่ามันทำได้หลายวิธี นะหลายทางนอกจากการเทศนาการอบรมแล้วเนี่ยการจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีการกระจายพุทธัพท์ให้ทั่วถึงก็สามารถช่วยได้ซึ่งก็จะทำให้เกิดการพัฒนาจิตใจได้และแล้วก็ตามเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยปัญญาภาวนาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะมันต้องเกิดขึ้นจากการที่ผู้คนได้รู้จักตัวเอง มีความเข้าใจนะในเรื่องตัวเองเห็นความจริงของกายและใจสามารถเชื่อมโยงไปจนถึงเห็นความจริงของธรรมชาติยิ่งถ้าเข้าใจความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็จะเป็นกุญแจไาขาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งต่างตางจนรู้ว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมัน่นหรือไม่สามารถจะยึดมั่นถือมัน่น อบอะไรได้เลยก็จะทำให้จิตใจสงบเย็นอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะของการพัฒนาก็ได้ mm hmm. เคยไปรู้จกักบาทหลวงท่านหนึ่งนะเป็นระดับบิชอปท่านเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่าหัวใจของการปฏิวัตินะคือการปฏิวัติหัวใจนะที่จริงเนี่ยเอามายงเรื่องการพัฒนาได้เลยนะ หัวจขงการพัฒนาคือการพัฒนาหัวใจคือการพัฒนาทัศนคติพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ท, ทาให้เกิดความเข้าใจในความจริงของชีวิตรู้ว่าเกิดมาหรือดํารงอยู่เพื่ออะไรหรือว่าความสุขที่แท้คืออะไรสิ่งนี้ก็ทําให้ผู้คนนั้นเนี่ยสามารถจะดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุข นําไปสู่การพัฒนาด้านอื่นอย่างพร้อมพรั่งได้แก่กายภาวนาศีลภาวนาแล้วก็จิตภาวนาด้วยการพัฒนาสังคมก็เช่นเดียวกันนะถึงที่สุดแล้วก็ควรให้ความสําคัญไม่ใช่การพัฒนาเม็ดเงินหรือการเห็นการให้คุณค่านะกับเรื่องเงินทองอย่างที่ในสมัยหนึ่งสมัยเทวตมาเด็กๆมันจะมีคำขัน ว, ว่างานคือเงินเงิ น, งนคืองานบรรดาศักดิ์นะ งานคือเงินเงินคืองานมราศสุคือว่าความสุขเกิดได้ขึ้นได้เมื่อเมื่อมีเงินนะแล้วจะมีเงินได้ต้องทำงานกลายเป็นว่าทำงานเพื่อหาเงินและหาเงินเพื่อจะเพื่อจะได้มีความสุขอันนั้นไม่ใช่คติแบบพุทธนะคติแบบพุทธคือว่าทำงานเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแตะแม้จะไม่มีเงินก็ได้ก็มีความสุขได้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินจะได้เพราะว่าจิตใจนะ เข้าถึงธรรมะได้พบความสงบเย็นและความสงบเย็นนั่นแหละนะที่เป็นความสุขอย่างยิ่งอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าสุขอื่นนี่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีเทตมาแล้วก็ทางวัดพยายามทำก็คือ น, นี่แหละคือการพุ่งไปถึงการหัวจการพัฒนาคือการพัฒนาหัวใจคือการพัฒนาให้เกิดปัญญาขึ้นกับผู้คนให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของจิตใจโดยสายหลักสถิตฐานสี่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็มีหลวงพ่อคำเคียนนะเป็นแบบอย่างที่จริงท่านก็เป็นแบบอย่างท่านในองการพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาชุมชนหลวงพ่อท่านทามาตั้งแต่สาสิปีที่แล้วต่อมาก็ที่จริงก็ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อมากนะสิ่งที่ได้ทานะ ก็เป็นอันนี้สองจากการที่ได้เรียนรู้จากหลวงพ่ อ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาดุษฎีบัณฑิต ก, กิจิมศักดิ์ที่ทางสภาอัลเทัรราชพัชัยภูมิถวายกับตามานี่ที่จริงแล้วนี่ก็สาหรับตามาก็ถือว่าเป็นผลพวงมาจากการที่ได้เรียนรู้ได้อยู่กับหลวงพ่อกำเขียนซึ่งท่านได้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะแล้วก็เป็นให้ เรียนรู้จากท่านได้และส่วนหนึ่งก็ได้มาจากที่ทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าได้อาศัยมิตสหายที่เป็นเพื่อนพระได้มาสนับสนุนรวมทั้งแม่ชีแล้วก็ญาติโยมในวัดด้วยหลายอย่าง ท, ารรที่จตมาทำจริงๆมันก็เป็นการทำนอกวัดนะแต่ว่าที่ทำได้อย่างนั้นไม่ว่างานเขียนงานบรรยายหรือว่างานรณรงค์ ที่ท่านที่ทางสภามหาชยได้เอ่ยถึงเนี่ยมันก็เพราะเป็นเพราะว่าทางทางวัดเพื่อนที่รวมวัดรวมทั้งแม่ชีอุบาสุบาสิกาทั้งที่วัดป่าสุกโตป่ า, ม, ามหาวันได้เอื้อเฟือ้อเปิดโอกาสให้ก็จึงสามารถที่จะทํากิจกรรมหลายอย่างซึ่งเรียกว่าอยู่ในสายตาของสภามหาชย เห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การที่จะถวายปริญญาดุเสดบัมณิกตีมาสั่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการขอบคุณทางสภาหเหมาเทลัยราชพาพชัยภูมิแล้วก็ต้องขอบคุณสาสตราิกนะเพื่อนพระนะทั้งที่วัดป่าสุกโตวัดป่าหมหาวันแล้วก็รวมทั้งชาววัด ท, ทั้งที่เป็นแม่ชีนัก บ, บวชอุบาสบาิกานะถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมใน ในปริญญาที่ทางหมหาวิทยาลัยได้มอบให้ท้ายที่สุดนี้ก็อาตมาก็คงจะไม่มีอะไรที่จะกล่าวนอกจากอาราธนาคุณพระสิริธรรมไตรอำ น, นวยอวยผลให้ทุกท่านตั้งแต่ท่านที่ปรึกษาสป า, มารมหาวิทยาลัยที่ปรึกษาธีการบดีพลเรือโทวิรุณกองจันทร์กัมตามสป า, มารมหาวิทยาลัยท่านคณะท่านอาจารยบดีคณะบดีคณาจารย์ทั้งหลาย เราจนักศึกษาสาวชนทุกท่านนะขอให้ได้มีความสุข ก, กายสุขใจมีความเจริญงอกงามในธรรมประสบความสำเร็จในการงานได้พบความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยการทุกคนเทิน